ที่ยิพูดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่จริงคำพูดแค่นี้ยังไม่ครบถ้วนนะยังไม่ถูกต้องมนุษย์เราจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้กรเพราะมีการฝึกฝนนะคือถ้าไม่ฝึกฝนก็จะเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้เพราะว่าอาจจะก่อความเดือดร้อนความทุกข์ยาก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 ภาษาบาลีมันมีคำสาหรับคำว่าฉลาดในทางที่ไม่ดีนะคือเชโกนะฉลาดแบบเชโกเน้นคนเราเนี่ยนะจะได้ช่วยเป็นสัตว์ประเสริฐได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกก่อนไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ประเสริฐเดอตโนมัตฝึกในที่นี้ไม่จนเป็นต้องเข้าโรงเรียนก็ได้นะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นของที่เพิ่งมีมาเมื่อ ร้อยหรื อ, อยังมาก200ปีมานี่เองเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักคําว่าโรงเรียนก็สมัยรัชกาลที่ห้าก่อนนั้น น, นเราไม่มีโรงเรียนนะตอนที่คําว่าหรือนะิดเรื่องโรงเรียนมาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยยังหาคําไม่ได้เลยท่านใช้คําว่าโรงสกูลนะหาคําแปลไม่ได้รัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านใช้คําว่าโรงสกูลก็คือ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 การฟ้อนรำนะไอ้พวกนี้มันเป็นส่วนเกินอาจจะเป็นสีสัรของชีวิตแต่ไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีก็ทำไม่ใช่เราเรียบง่ายมาขึ้นล้มทั้งการไม่นอนในที่นอนอันสูงใหญ่ล้มทั้งการที่ไม่คล่องแวกับในเรื่องการเสร็จเมทุนนะอริมจริยาเนี่ยอันนี้เนี่ยสีแปลกก็เป็นเรื่องของการจะเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนก็ได้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 เดี๋ยวนี้ข่าวลือมันเยอะมากนะแล้วก็ล่อลวงให้เราหลงเชื่อได้ง่ายนะบางทีก็ล่อลวงให้เรานะไปลงทุ น, นแชร์ลูกโซ่นบอกว่าจะมีรายได้งามนะเราก็ใช้เหตุผลพิจารณามีข้อมูลประกอบถ้าใช้เหตุผลเนี่ยมันก็ไม่หลงเชื่อนะ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 เป็นวิศวกรนะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะในมาเชไลท์ตอนหลังรุ่นพี่คนนี้แกก็เกิดมีอาการทางจิตก็คือแกได้ยินเสียงนะเป็นเสียงแววแววเข้ามาในหัวหูแววนะแต่มไม่ใช่หูแววหรมันมันมีเสียงดังมาในหัวแล้วก็ข้อมีความรู้สึกว่า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 ตั้งแต่พี่ได้กินยาเนี่ยนะพี่สังเกตไหมว่าเสียงมันหายไปเสียงในหัวเนี่ยมันหายไปใช่ไหยแกก็ยอมแล้วว่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อ, อยากจะให้พี่เนี่ยนะกินยานี้อีกนะแกก็สงสยัยแกก็ไม่ยอมนะแกบอกไม่ยอมกินยาแกก็บอกว่าเนี่ย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 เห็ว่าหมอเนี่ยปรารถนาดีก็ไม่อยากจะให้หมอผิดหวังไม่อยากจะให้หมอเสียใจอันนี้เราคงเคยเจอนะประสบการณ์แบบเนี้ยเพื่อเพืว่าเอาเหตุผลมาชี้แจงยังไงเขาก็ไม่ยอมนะแต่เขายอมก็เพราะว่าเรามีความปรารถนาดีกับเขาถ้าคนร้อนเี่ยจะใช่แต่หัวยังไม่พอยมัองใช้ใจด้วยถ้าใช้แต่หัวนี่มันก็ไม่รอดเหมือนกัน เดี๋ยวพอเวลาเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งขึ้นมามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นช่วยงานมูลนธิธิแห่งหนึ่งนะมูลนธิธินี่ก็จัดงานาปฏิบัติธรรมเชิญคนมาหลายร้อยทีเดียวพอเสร็จงานเนี่ยก็มีการประชุมสรุปงานก็มีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งกรรมการแล้วก็มีทั้งจิตอาสามีทั้งผู้ประมมานะมาสรุปงาน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 จะเรียว่าเป็นกรรมการมูลนิธิก็ได้เขาก็เลยลุกขึ้นอธิบายว่าเนี่ยนไอ้ข้อเสนอของเขาเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาอธิบายด้วยเหตุด้ผลว่ามันทําไม่ได้ปรากฏว่าเหตุผลไม่ได้ช่วยทําให้ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยสงบลงเลยนะกลับขุ่นเคืองใจมากขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดโต้แยง้ง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 ต่างไม่ยอมหรือไม่พยายามเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งพยายามใช้แต่เหตุผลมีหมอคนหนึ่งนะชื่อหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เป็นจิตแพทย์นะพูดไว้น่าสนใจนะบอกว่าเวลาสามีทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะนะอย่าใช้เหตุผลเด็ดขาดนะให้ใช้อารมณ์ให้ใช้อารมณนะ์ให้วางเหตุผลลงแล้วก็ให้อารมณ์มันลอยขึ้นมาอารมณ์ความรักเนะี่ย ที่เคยมีต่อกันในอดีตเนี่ยนะมันจะช่วยแก้ปัญหาได้นะที่หมอประเสริฐบอกว่าอย่าใช้เหตุผลให้ใช้อารมณ์เนี่ยมาถึงอารมณ์รักนะมายถึงความรักนะนะสามีภรรยาเวลาทะเลาะกันเนี่ยม่ควรใช้เหตุผลแต่เหตุผลที่ใช้เนี่ยนะมันกลับทำให้ความขัดแยง้ง ล, ลุกลามขึ้นจนกลายเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันเพราะว่าเหตุผลที่ใช้เนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อ